ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชันช้นผมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชัน้นทุกพบทุกพูมสวดกำลังจั ก, กรพรรดิพองกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ทังชีวิตต่างเม่ปูเจมิทั้มังชีวิตต่างแม่ปูเจมิสังขังชีวิตต่างแม่ปูเจมิพุทธทางวันธามิทั้มังวันธามิสังขังวันธามิ ครูประชาอาจาริย์กุณังวันธามิมาตาปิโุกุณังวันธามิพระไตรศีขากุณังว ah ันธามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะ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 หามังสารังฆาจามิสังฆังสารังฆาจามิทูตยามปีอุทังสารังฆาจามิทติยามปีธรมังสารังฆาจามิ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 ปาณาติปาตเวรมนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอารินาทานาเวรมนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาะพรมัจาริยา เวรามนีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามนีสิกขาปะฏฐานสมาธิยามิสุรามีระยามะชะอมาตถานา เวรามิสิกขาปะทานสมาทิานิอมานิปัญจสิกขาปะทานิทียาิอมานิัญจสิกขาปะทานิสมาทิาิอมานิัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขจิงยันติสีเรนะโพกสัมปทาสีเรนะเนปุจิงยันติทัสมาวิโสทะนะโมตัสสะปะพาวะโตอาหะสมาสัมปุทัสสะ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 อามังกรตานังการุณนังการุณีนาโมพุทธ i s, oh s a t t akanti maya idipa k า v a นาโมพทธ isatto akanti maya i d i namo โพธิสัตว์อคติมายะนามอโพธิสัตว์โคมะันโยนามอโพธิสัตว์โคมะันโยนามอโพธิสัตว์โคมะคันโยโยตโสรมหิตเต นาพุทัสสังหิปะปะโทมายากมังสิกาตังโทสังส oh ัพพ a ปังสันตุโยโทโสโมหิ t เตนาธรรมสังหิปปะปะโทมายากมะทสังหิ กัตังโทสังสัพพะพาปังวินาสัตุโยโถสโมหิเตนสังฆเสมิปาปโตมายาขามาทมีกัตังโทสังสัพพพาปังวินาสัตุ นาโมทัสสะพาคาวาโตอะโตสามมาสามพุท a ะนาโมทัสสะพากาวาโตอราหะโตทัสสะนาโมทัสสะพากาวาโตอราหะโตสามพุทตะ นาโมพุทธายะพระพุทธายรัตนญา a มามีนอบรัตศีสาหาสุธัมมาพุทโธธรมโมสังโฆเยธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา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 ราพุทธะไตรัตนยาณมณีนพรัตน์สีสหัสสุทธรมาพุทโธธรรมโอสรรค์ยะถาภูมินะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานวารังคันธังสีวลีธรรมหาเถรัง <laughs> <laughs> <laughs> อาหังว ah ah ah ันทานิทุระโตอาหังวันทานิทาติโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธรรมะสังฆาปูเสมินาโมพุทธายะระพุทธะไตรยตระามานีโนปรีสาหาสุธรรม พ佛陀ธรรมโมสังโฆยาถาภูโินาภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาขีทานังวารังคันธ์สีวรีจามาาเถระอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิอาติโย อาังวันทานิอัปปสโสพุทธะธรรมสังฆาปูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรตระนยานมามีนพรัตติสีสาหาสุทัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุปโมนา บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกัรทางศีวารีกัมหาเถระอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทาณิทาติโยอาหังวันทาณิสัพโสบูธาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนยามานีนพรัตติสาหาหาสุทรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุปโมนะพุทธามูชาธรรมะมูชาสังฆาูชาทิธางวรังคันัง สีวาริจามาหาเถระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะอรรมะสังฆาปุเชนินาโมพุทธายะราพุทธไตรยตระกยาณมาฮีโนปรั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 อาังวันธามิสัพโสุภูตธาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนัยยามนาโมพุทศะสีสะหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมะ พุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังคันธงสีวรีธรรมะเสระอาหังวันทาณิทุระโตอาหังวันทาณิอาตุโยอาหังวันทาณิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเซนิ นาโมพุทธยะพระพุทธไทรยตนะยานมานีนพรัตติสีหาชาสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธางวรางธันทัง <laughs> <laughs> สีวรีธรรมะเถรัอาหังวันธานิตุรโตอาหังวันธานิอาตุโยาหังวันธานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆเตนินาโมพุทธายะระพุทธทยตะณยานมะนีนภรัต สีสาหาสาสุธรรมะผุดโทธรมโมสังโฆยะถาพุดโมนะผุดทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธรรสีวารีธะมหาเถระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาติโย อาังวันธามิสปะโสพุทธาธรรมะสังฆูเชนิณามพุทธายะราพุทธะไตรรัตนญาณมานีนปรัตศีสาหัสสุทัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานวารังกันธรงมีิวตริธรรมะเถรังอาหังวันธามิธ ah ุระโตอาหังว ah ันธานิทาตโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเทนิ นาโมพุทธยะพระพุทธไตรยตนะยานมาหนีนพรัตต์สีสะหาชาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุปโมนพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธางวรังคันทัง สีวะริจามาหาเถรอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมสังฆเตนินโมพุทธายะราพุทธายตนะยานนาหินภาต สีสาหาชาสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธานังวารังกันังสีวรีธมหาเถรังอาหังวันทาณิทุระโตอาหังวันทาณิอาติโย อาังวันทานิสัพพโสภูตตาธรรมะสังฆูเจนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนยามานีนพรัตติสีสหาสัจตมนาพูทโธรรมโมสังโฆยะถาภูมินา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางศีวารีธรรมาหเสรังอาหังวันทานิทุรโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชนี นาโมพุทายะพระพุทธไตรยตนะยานมามีนอรัตีสาหาสัจธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะูชาสังฆบูชาทิธางวรังคันทัง สีวะริจามหาเถระอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทานิอาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุถะนินาโมพุทธายะรักุทธายะตระยานมาหีนุปรัต สีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะพทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธานังวารังกันทังสีวรีธรรมะหาเถรังอาหังวันทาณิตุรโตอาหังวันทาณิอาตุโย อาังวันธานิสัโสุภูตธาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธทตรยตนะยานมานีนพรัตสีสหัสสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาภูตโมระ พุทาบูชาธรมมะบูชาสังถะบูชาขีทานังวะรังกันธรงมีวะริจามาหาเถระอาหังวันทามิท ah ุระโตอาหังว ah ันทามิอาตุโยอาหังว ah ันทามิสัพพโสพุทาธรรมะสังถะอุเชนิ นาโมพุทายะพระพุทธไตรยตนยานมาณีนพรัตสีสาหาสุธรมมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธูชาธรมะมูชาสังฆามูชาทิธางวรังคันทัง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 สีสาหาสาสุธรรมพทโธธรมโมสังโฆยะธาพุโมนะูธาบูชาธรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทงสีวริตมหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธามิทาติโย อังวันธามิสกัสโสผู้ท้าธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธายะตระหนัยญานาโมพุทธะสีสาหาสุทัตมะผู้โทธรรมโมสังโฆยะถาผู้โมนะ โอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาทาลังวะลังคันทังสีวารีธรรมะเจรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาทิโยอาหังวันทามิสัพปะโสโอทาธรรมะสังฆาอุเทนี เอาแปรกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาแนละโมยญาทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเนสัพเพอุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาลปัตตาปจเจกานนจะยังพลัง อาลาหันตานันจะเอเจนรัขังสรพโสสรเพพุทธะสรพธรรมาสรพสังฆะอลาปตาปจกานันจะยังพลังอาาหันตานันจะเอเจนรัขัง สพเพธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาลพัทาปัจเจกานจายามกาขัตานันจเตเทนารักขาปันธานิทัพโสสาเพผูธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา อาตาปะเจกานันจะยังพลังอาลหันจานันจะเจเสงอรักขังปันทามิทัศกสุสัพเพพุทธาสัพเพตัมมาสัพเพสังฆาอาตาปะเจกานันจะยังพลัง อาลาหังตานานจ่าเอเทนารักทังปัญธามิสัพพะภูตทางอธิฐามิทัมมังอธิฐามิสังทังอธิฐามิ อธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกําลังจั ก, กระพัที่เราสวดทุกวันเวลาสัปเทถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระทิวน้าพระเมนพระที่ทรงเครื่องหรือวมันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กรพัทธิหรือพระลาารังค์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 เพผูธาสัพเตธัมมาสัพสังกาพารัปปัตตาปัจเจกานันจะยังวะรางภารานานานาจะเตเจนารับขังพันตามีสะปะโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะอาราปตาปเทกาหันจะยังบาลังอาราหันตานันจะเอเจนารักขังปันตามิสัพปะโส พุทธาสัตตธรรมาสัตตังคาภาระปัตจาระเจกานันเจยังวะรังอาราหันตานันจเตเจนารักขังมีสัพพโสพุทธังอธิฐามิ คำบางอธิษฐามิสามคงอธิษฐามิเสร็จแล้ว วันวันหนึ่งเนนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทาและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม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 พาราปัจาปัจเจกานันจียงภารังอราหันตานันจเตเจนารักขังนิสปัสสุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตตาปเจกานันเจยังภารังอรหันตะนันชาเจเจนรักขังปันธานิสัพสโสสะเปพธทัสสะเปธรรมาสะเปสังขาภารปัตตาปเจกานันเจยังภารัง อาหันตานันจะดเจเจนารักขังอามิสภัสโซสาเพกุตาสาเพทัมมาสาเพสังฆาอาระปตาปเจกางนันจี